ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการจึงบางเกินมีแด่ญาโจมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจไฟในธรรมผู้สแสวงหากุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะอกตับนี้เชิงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมกฐาปาตกถาธรรม อันเป็นคำสั่งซอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านนึงร้ายจงในตั้งออกตั้งแก่ฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังแก่ได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาเตือนจิตสกิจใจในวิธีทางแห่งการดําเนินชีวิตของตนเองสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ ในวันพระเช่นนี้เป็นวันที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราชาวพุทธโดยเฉพาะทุกๆ ท, ท่านที่รู้สึกตนเองว่าไม่ประมาทชีวิตเป็นของน้อยเกิดมาชั่วครั้งชั่วคราวในโลกนี้โลกนี้เกิดมาเป็นเวลาอันยาวนานเป็นแสนแสนล้านปีมาแล้วแต่ชีวิตมนุษย์ไม่เกินร้อยปี เหมือนอนุในน้อยเล็กๆที่อุบัติเกิดขึ้นมาท่ามกลางสุริยะจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลยิบจับจิบจับแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปยังไงยังไงยังไงก็ตามนับว่าเป็นโชคเป็นวาสนาที่เราเกิดมาในยุคที่โลกไม่ศาสนาแม้จะเป็นยุคท้ายพุทธันดอน่อนพุทธการไปแล้ว พวกเราในสมัยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเกิดมาในยุคค่อนพุทธกาลท้ายท้ายแห่งพุทธันดรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อย่างไรก็ตามหลักพระธรรมคำสั่งซ้อนของพระศาพ ต, ตดายังคงมีอยู่เป็นประทีปส่องจิตส่องใจเป็นสิ่งที่ขจัดความมืดมนแห่งชีวิตได้เป็นสิ่งที่ส่อง นำทางแก่ชีวิตของเราถ้าหากเราฝ่ายใจศึกษาสะดับจับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะได้เกิดประโยชน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ดีทางโทรทัศน์ทา ง, ทาทางมิสเมเดียมทางเสิร์ฟมวลชนก็ดีประเทศไทยเราก็นับว่าไม่อับผับความเจริญทางเทคนโนโลยีทางวัตถุก้าวมาถึงขนาด น, นี้ก็ออยังมีส่วนมีช่องว่างเปิดโอกาสเกียรตเวลาให้แก่ศินแก่ทา ในทางสถานีพิทยุอย่างนี้กติในทางฐานีโทรทัศน์กติก็นับ ว, ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันมหาศาลของเราในยุค ป, ปัจจุบันที่จะซับเบเมทเอาเทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ได้ใช้เครื่องมือแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ในการดำรงจ ในการนำหลักธรรมของศาสนานั้นเข้าสู่จิตใจของมวลชนให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งอย่างพี่น้องชาวมุสลิมในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางหรืออย่างในตะวันออกกลางอย่างนี้เขาจะมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุวันหนึ่งมีการไหว้สลาละหมาด ก, กับพระผู้เป็นเจ้าห้าครั้ง ก็จะต้องถ่ายออกสถานีวิทยุทุกทุกสถานีเป็นภาคบังคับเป็นคอม p e n s a t i o n อะไรต่างๆวันนี้เป็น c o m พ e n s a r y แปลว่าเป็นการบังคับจะต้องทําอย่างนั้นมันก็เป็นการดีในการบังคับให้คนทําดีไม่มีทางเสียหายเลยที่น้องชาวมุสลิมจะเปิดวิทยุสถานีไหนก็ตามถึงเวลานั้น <c oughs> ในตะวันออกกลางอย่างซาอุดีอาระเบียจะต้องได้ยินแต่เสียงสลาเสียงละหมาด อันละฮ้อว่าฮัดอันฮ้มดุลินลาอยู่ตลอดจนหมดเวลาเพราะนั้นท่านจะหมุนไปคลื่นไหนสถานีไหนท่านก็จะได้พบแต่อันนี้บางครั้งเราซึ่งได้ยินแล้วก็ยังรู้สึกว่าสงบวิเว้หวังเวหวงน่าศรัทธาไม่น้อยเลยอาตมาเคยไปบางครั้งตอนเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินแล้วแสงเดือนกำลังถอขึ้นมาในม่านฟ้า ในคืนที่มีความมืดอคลึมหน่อยในขนาดเดียวกันในตลาดถึงเวลาสลาสวดมนเขาจะสวดมนกล้องกังวานทุกคนสงบนิ่งชีวิตทุกชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอราระเบียถึงเวลาสลาตึงเวลาละหมาดคล้ายๆกับว่าอยู่ในอ้อมกอดแห่งอิสลามมิกระทําอันเดียวกันสงบปลำงับเราซึ่งเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาก็ต้องสงบด้วย ดูแล้วว่าน่าศรัทธาสงบและทําให้คิดถึงศาสนาพุทธของเราว่าเอ๊ถ้าหากเรามีกันอย่างนี้ถึงเวลาและทายทอดทั่วประเทศเลยทุกๆสถานีจางนี้มันควรจะได้ประโยชน์โทรทัศน์เปิดไปช่องไหนก็จะเห็นแต่ช่องอ่าสละแล้วก็จะเห็นภาพตัวหนังสือคําสอนของพระศาสดา น, นาบีมุฮัมมัด เห็ S <S <an the> แล้วก็นาา่าประทับใจไม่น้อยเลยแต่พวกเรานั้นอิสระเซรีจนเกินไปยังไงก็ตามมีโอกาสเปิดฟังฮานีว e ิทยุเยาะหูลงฟังเสียงพระเสียงเจ้าเสียงสินเสียงํำบัางก็จะดีเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าทำได้อย่างในตะวันออกากลางในซา unboxing, อุดิอาระเบียโอโ้โหบ้านเราก็จะต้องสงบร่มเย็นบ้านเขาเมืองเขานี่ ไม่ต้องไปนอนโรงแรมขับรถไปเลยข้ามหมืดอจะนอนตรงไหนหักลงข้างทางหลับสบายไม่มีขโจรขโมยรถเสียรถพังจอดทิ้งไว้เป็นเดือนนั่งรถไปหาช่างอะไรมาซ่อมไม่มีใครลากไปของเราอยู่ในบ้านลักกันงัดกันเข้าไปเอามอเตอร์ไซค์เอาโทรทัพทอ้ยสารพัดอย่างสินทำได้เสื่อมทรามลงมาก บางเขาเมืองเขาบริษัทห้างร้านบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ที่รับเหมาคอนแทรคเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จงมีวัดวัดภายในนะวัดภายในบริษัทเรีมัสยิดเทมเพลอรี่มัสยิดแต่วเป็นวัดชั่วข่าววัดชั่วข่าวทุกคนจะต้องไปไหว้ที่พี่น้องที่ศาสนาอิสลามไปทํางานถึงเวลานั้นจะต้องไปไหว้ไปละหมาดด้วยกันสัลลา ด, ด้วยกันหลังจากนั้นวันศุกร์วันพระก็ต้องเข้าวัดกัน ทุกๆบริษัทไม่ได้บริษัทเล็กๆก็จะมีเขตของเขาไว้เป็นเขตไหวพระผู้เป็นเจ้าไปเขตสลาคล้ายๆเป็นวัดวัดประจำบริษัทชั่วคราวเขาจะพูดทําถ้าบริษัทไหนไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีหอสลาไม่มีมัสยิดชั่วคราวแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับการหานับถือประมูลงานก็ไม่ค่อยได้เขาบอกว่าไม่มีสินธรรมลาเซมฟีอังคารล า, ลาเซมฟีอังคารจำเป็นนะ จะต้องมีจะต้องมีศีลธรรมกระผมลาเซมฟีมัสยิดมักตับอยู่ในบริษัทจะต้องมีวัดอย่างนี้มาฟีมัสยิดมาฟีมาฟีมัสยิด ม, ม, ม, มาฟีอังคารฟีมุสกิลามาฟีกุเสก็อภัยกระพูดอย่างเนี้เขาบอกว่าถ้าหากไม่มีวัดไมน ม, มัสยิดอยู่ในบริษัทในมักตับเนี่ย ไม่ดีเลยครับเพระว่าไม่มีสินธรรมมาฟีอังคาดหลังจากนั้นครับอกว่าฟีมุสกิลามาฟีไุเอจะต้องมีปัญหาไม่ดีแน่ๆนเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราบริษัทห้างร้านใหญ่ๆน่าจะมีหอพระถึงวันพระวันอะไรน่าจะมีให้คนงานได้ไปไหว้พระไว้อะไรเป็นตัวอย่างก็จะได้ใกล้ชิดศาสนาแต่ก็อย่างว่าเราทากันไม่ได้ แม้จะอยู่ในโรงเรียนเดนนี้น่าเป็นห่วงในโรงเรียนเวลาไหว้พระในโรงเรียนอาตจมาเดินผ่านไปบางทีบินธบาตผ่านไปได้ยินอัลหัมซะมาสัมววปุโตผวาปุถัมปวันนังพิวะเทมีสวะาขา้าโดผวาตาธรรมโมธรรมังนมัสสามีสุตติปโนภูโตสราบกัสซังโคสังขังนามามีเสร็จเรียบร้อยเหมือนตะหวาดควาย <c oughs> เหมือนตะหวาดควาย แทนที่จะอ่อนน้อมถามตนอรหังสมมาสมบูทโภคควาให้จิตใจสงบปรํางับเยือกเย็นเพ่งจ้องสมาธิไปที่พระพักของพระศาตตดาในพุทธลูกเหมือนเห็นแววแห่งความเมตตาปาน่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มความสงบปรํางับและสติปัญญาอันเจิดจ้าเฉิดฉายภายในพระวรของพระศาตตดา นี่ไม่เลยอนุสธงรมสัมมาัมพตทวเพราะว่าผู้ทำควรทำพิวาทเหมมิเหมือนตวาดควายห้วนแข็งกระด้างถ้าแปลเป็นภาษาไทยพอผู้มีพาะจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ่เชิงกับพระเจ้าเดี๋ยวอาพิวาทผูมีพาะเจ้าพระองค์นั่นก็เสร็จไปเลยคล้ายๆตวาดตุดาเลยทํานนองนันอันนี้น่าเป็นห่วงมากพวกเรากาลังเป็นกันอย่างนี้ ทีนี้มือมเป็นอย่างนี้ก็ถึงความเสื่อมซามลงแห่งจิตใจเพราะเราขาดหลักธรรมที่เหมาะสมกับยุคกับสมัยคุณภาพของความเป็นชาวพุทธก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะเห็นนั้นในยุคปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงศีลธรรมเราก็มีความรู้สึกว่ามันขัดขัดใจมันจะต้องไปแย่งความสนุกสนานออกจากจิตจากใจ แต่ปัญหามันมากขึ้นมันไม่มีทางเลือกยิ่งกว่าการนำสินนำธรรมกลับเืินมาหรือการพัฒนาจิตใจอย่างไรอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าทางบ้านเมืองก็ดีทางการทางรัฐบาลก็ดีมอเห็นปัญหาอันนี้แล้วไปไม่รอดจะต้องกลับมาหาศินหาธรรมเทนี้จะหวนกลับมาก็ยังไม่เอาจริงคล้ายๆว่ามีเงื่อนขไขไว้แล้ววา่าไปไม่รอดฉันจะกลับมาหาศาสนาอะไรทํำนองนั้นนะ เมื่อไปไม่รอดจริงๆฉันจะกลับมหาศาสนาเดี๋ยวนี้ข้าราชการกระดีตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็เรียกร้องหาคุณธรรมจริยธรรมบางแห่งตั้งศูนย์พัฒนาจริยธรรมข้าราชการขึ้นมาเปิดป้ายขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ทํากิจกรรมอะไรเลยคล้ายๆกับว่าอย่างอย่างย่งไม่ถึงที่ให้ทุกเต็มที่ให้มีปัญหาเต็มที่ซะก่อนฉันจะกลับมาอันนี้ขอเอาไว้เป็นเป็นป้ายไว้ซะก่อนยกป้ายไว้ซะก่อน แผ่นดินทมแผ่นดินทองเอ่ยยกป้ายไว้ซะก่อนยังไม่เอาจริงเอาจังถ้าปัญหาถึงที่สุดแล้วฉันจะกลับมาอะไรทำนองนั้นพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานะั้นศาสนาไม่เคยทำให้ใครผิดฝังชอกช้ำระดำขมเขินคล้ายๆกับเรือและท่าเรือจากไปท่ายัางอยู่แม้ประชาชนมหาชนจะทอดทิ้งไปบูชาเทคโนโลยีอันเป็นพระเอกใหม่เข้ามาเป็นเทพพระเจ้าองค์ใหม่ จนหลังหลังให้แก่ศาสนาแม้แต่พระทรงองค์เจ้าก็หลงไหลไปกับความฟุ่มเฟือยความสะดวกสบายของเทคโนโลยีก็ช่างหลักธรรมของพระศาสดายังคงท้าทายรอคอยความเจ็บชำระกรรมคมเขินของท่านผู้เผด็ฝังจะกลับมาเห็นได้ชัดอย่างที่วัดของอาตมาทุกวันนี้ผู้คนไปเทศที่ไหนมักจะขอฝากลูกฝากเต่าเอามาฝึกมหาหัดส่วนมากก็เสียคนจะแล้ว กินเหล้ากินยาแล้วติดการพนันแล้วติดยาเสพติดแล้วเป็นโรคประสาทแล้วเอาละที่นี่ไปไม่รอดให้กลับมาหาศาสนาวัดก็ไม่เคยให้ความผิดหวังบางครั้งส่งไปเรียนโรงเรียนฝรั่งปีหนึ่งสองสามหมื่นแต่เสร็จแล้วลูกคบกับเพื่อนไม่ดีติดยาเสพติดเอามาขอฝากอาจารย์ช่วยฝึกฝนอบรมทีวันละสะตาร์ก็ไม่ต้องพยายปีละสะลึงก็ไม่ต้องจ่าย ศาสนาก็ไม่เคยทําให้ใครเผิดหวังชอกชำ้ำเหมือนเรือจากไปท่าก็ยังอยู่รอคอยแต่อย่างไรอย่างไรก็ตามทุกวันนี้ความสนใจทางศิลป์ต่างๆมีมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เข้าสู่เป้าหมายใครแมรกกาซีนที่น่าอบอุ่นใจน่าสบายใจมันจึงมีอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาเมื่อมีก็ฮือฮือตื่นกันเหมือนกับไฟไหม่ฟังเดี๋ยวเกิดส้ำนักโน้นเดี๋ยวเกิดอาจารย์นี่ เคลื่อนมาก็ตื่นตูมกันใหญ่โตแห่กันเป็นขยงอย่างนี้เป็นความเด่นดังทางศาสนาดูแล้วหนะ้าอนุมโมทนาสาธุการได้ข่าวว่ากฐินคณะใหญ่ทอดกันเป็นครังร้อยคันรถบาดร้อยสองร้อยคันอย่างนี้ความศรัทธาในสังขานุภาพพระสงฆง์เจ้าที่เป็นตัวตั้งตัวตีมาเป็นแม่เหล็กใหญ่ดึงโดดมาได้ยินข่าวก็ชื่นชมยินดีอนุโมทนา แต่เมื่อมองเข้าไปลึกๆหน้าเป็นห่วงหน้าหวาดเสียวความเด่นดังกับลาบสักระเสียงเยินยอกลัวจะมีสิ่งที่แปลกๆปลอมๆปนปนเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นเดีนี้ผู้คนมีศรัทธาในพระศาสนาดูมือนจะมากขึ้นทหารพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ไหนเด่นดังขึ้นมาทําท่าทําทางมีสมาธิภาวนามีอะไรผุกุโปรพอป้อมปอมเปอร์เปิร์ลบๆรซ่อนซ่อนมีความเด่นความดัง ศรัทธายังไม่เคยเหินแห้งจากจิตใจของชาวไทยพุทธของเราแต่นั้นแหละศรัทธาที่ขาดปัญญานั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนตาข้างเดียวยังรับประกันความปลอดภัยไม่ได้อาจจะนําไปสู่ปัญหาทีหลังก็ได้อย่างเลวร้ายดังเรื่องราวที่เราได้ยินข่าวกันเกี่ยวกล่าวอยู่ทุกวันนี้เพราะเหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงย้ํานักยําหนาสอนนักสอนหนาให้ ภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยกันนำปัญญาเข้าไปสู่จิตใจของคนพร้อมทั้งศรัทธาอย่าเอาศรัทธาไปเสนอโดดๆเลยจะเห็นได้เกลือนกลนในหลักฐานทางพระไตรปิฎกวันนี้จะขอนำท่านเข้าส่หัวข้อแห่งการบรรยายเรื่องโสตะปฏิยังคะโสตะปฏิยังคะ คือองค์ประกอบแห่งผู้ที่จะเข้าสู่ความเป็นโซดาบันบุคคลฟังคํานี้แล้วท่านนังไร้ยอย่าพากันเบือนหน้หาหนีอย่าพากั น, น, ห, น, น, าากนหัวเราะเยาะอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าไม่ปรารถนาจากไขวคว้ า, วาประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเรื่องโซดาบันเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าแล้ว มันไกลห่างเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้ท่านตั้งหลายอยากเข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันเข้าใจกันอย่างนั้นมันจึงต้องมีปัญหาขึ้นมามากๆไม่ก้าหน้าไปโสูสติปัญญาไมายท่านเข้าใจว่าคําว่าโซดาปฏิยังคะหรือคว่าองค์ประกอบแห่งผู้เข้าถึงโซดาบันบุคคลนั้นไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยไกลโศกขอบฟ้าถ้าหากเรามองในแง่คําสั่งสอนของพระศาตดาและเป็นเรื่องที่เป็นได้ในชีวิตนี้ในปัจจุบันนี้ แต่เราทั้งหลายมองกันเอาเองเข้าใจเอาเองว่าเป็นพระโซดาบันแล้วมันจะต้องเก่งถึงขนาดว่ามีฤทธิ์มีเดชมีตาทิพย์หูทิพย์บอกเลขบอกหวยยังกระจับวางระลึกชาิหอนขนหลังได้เห็นจิตเห็นใจของผู้อื่นนูน่นเข้าไปนูน่นต้องมีฤทธิ์มีเดชเห็นเทวดาฟ้าดินผีสางปราบผีล้างปาชาคนจะได้หลังไหลกันไป อะไรต่ออะไรต่างๆเข้าไปทอดจิตนอนอยู่ในกระโหลงได้เป็นสิบสิ บ, สบวันอย่างนี้จึงจะถือว่าผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสดาบันไปสู่สกิทาคานาคาอรหันอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดของพวกเรามาฟังกันใหม่พระพุทธเจ้าท่านกลัวเราจะเข้าใจผิดทางอย่างนี้มันจะเลอะเลือนท่านก็พยายามพ่มพสอนที่สุดทั้งหลายให้ไปสอนในเรื่องเหล่านี้ มีหลักฐานไว้ชัดเจนเยเตพิกเวอนกุกรรมเปยยาทะเยจะโสตะพังมันยยุงมิตรวานอามัจาวายาเต็งวาสาโลหิตาวาเตพิกเวจะตูสุโสตะปฏิยังเคสุสมาทะเปตพานิเวเซตพาปฏิท่าเปตพาด้วยก่อนอพิสุทั้งหลายเราชนทั้งหลายทั้งคนที่พวกเธอเพึงอนุเคราะห์ และคนที่พอจะรับฟังคำสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติหรือเป็นสายโลหิตของเธอก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสนใจให้ตั้งดำรงมั่นอยู่ในองคุณของพระโสดาบันสี่ประการมีมากนะหละักฐานในพระไตรปิฎกมีมากลองไปเปิดสังยุตติกายมหาวารวักเล่มที่สิบเก้าข้อที่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามเล่มนี้ใหญ่นะ หน้าสี่ร้อยห้าสิบเพอท่านก็จะพบท่านเป็นห่วงพระภิกษุทั้งหลายเราชนทั้งหลายที่เธอทั้งหลายจะเพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคําสอนได้ไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติหรือเป็นสาจโลหติตท่านเจาะจงลงอย่างนี้เลยมิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสัจโลหิตาวามิตตาวามิตรกอดิยามัจจาวา เพื่อนร่วมงานอมาตก็ดียาติงวายาตก็ดีซาโลหิตาวาสายเลือดของตนเองก็ดีเตพิเคเวจะตูโซตาปฏิยังเคสุสัมมาทเปตปานิเวเซตภาปฏิท่าเปตภาเธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งโยให้ดำรงมันในองคุณของโสดาบันสิประการ วันนี้เราจะพูดในเรื่องนี้ขอให้ท่านตัางหลายได้ลองตั้งอกตั้งใจฟังอย่าเพิ่งมัวว่าเออเนี่ยมันจะไปไกลถึงไหนแต่นี้เราเข้าใจกันผิดพลาดไปหมดแล้วเขาจว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปสุดขอบฟ้ามันก็เลยมีแต่ปัญญาซึ่งมีแต่ศรัทธาซึ่งขาดปัญญาไม่มีความเหมาะสมจึงถูกหลอกได้ไง่ายๆเขาว่าไปไหนเอาไหนเอาด้วยช่วยกระพือมือกระซื้อต่อมาเที่ยวหากินแล้วเกิดกั น, กนเป็นกกเป็นเหลาเป็นโมเป็นคณะถือศาสนาเดียวกันยังเข้ากันไม่ติด มองกันเป็นศัตรูคู่อาฆาตคูเวรคู่กรรมกันไปเพราะเรายังเข้าไม่ถึงสิ่งที่เรียกว่าโสตะอาปัญนะหรือว่าโสดาบัตเมื่อเข้าไม่ถึงก็ขอให้มีโสตะปฏิยังค์ครับองแห่งบุคคลผู้ที่จะเข้า โ, โก่กระแสแห่งธรรมได้สังคมในยุคปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วงมากเราต้องการศรัทธาที่ประกอบไปด้วยเหตุผลไม่ ง, งมงายแต่ปรากฏว่า ทุกวันนี้สถาที่ไม่มีเหตุผลงมงายเขาหวายังไงก็เอาตื่นกันฮือฮือขึ้นมาอย่างเรื่องราวที่ผ่านมาเหลืองนีก่อนธรรมวาทีสดอเข้าตัดกรรมตัดเวรเส ร, รมสเิมเสนเส ร, ริมมงคลสบายถอกสบายทิพลังไล่กันไปวุ้ยใหญ่โตนั่นไปเพราะอะไรเพราะศรัทธาแต่ก็ขาดปัญญาที่ถูกต้องในองคุณแห่งโสดาบันวะโสตปฏิยังขะนีพระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาพิสุทั้งหลาย เธอจงไปแนะนำพร่ำสอนไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นญาติโกโฮติกาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่พึงพูดกันรู้เรื่องเขาสนใจที่จะฟังเป็นคนที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์จงไปชักชวนให้เขาสมาทานตั้งมั่นดํารงมั่นในองค์คุณสีประการคือเป็นผู้มีศรัทธาแต่ถาขัดโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในศักยภาพในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แล้วเป็นผู้มีศินชนิดที่พร ะ, ะอริยเจ้าสรรเสริญอริยกันตศินเราจะได้อธิบายกันทีหลังแล้วก็เป็นผู้มีจาคะการศีสระการปล่อยการวางการให้การแบ่งปันมีปัญญารู้จักตัวปัญหาเหตุเกิดปัญหาความดับลงปัญหาวนทางปฏิบัติเพื่อดับปัญหาคืออริยสัจแต่ตรงกันข้ามปัจจุบันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นโฆษณากันยกใหญ่ลังไลกันไป แต่เสแล้วถูกคอบงําทางสติปัญญาป้อนแต่ศรัทธาให้แก่กันและกันสังคมปัจจุบันนี้ต้องการศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่มงมงายต้องการความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองขึ้นไปจนพ้นจากปัญหาโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นรถน้ำมวลพ่นน้ำมันสกมมเซกบาลผีสางนางไม้เทวดา ฟ, ฟ้าดิน เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าปาเจ้าเขาที่วันนี้เรายังไม่มีความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามสังคมปัจจุบันนี้ต้องการสินธรรมคือทําขั้นสินหรือว่าสินขั้นธรรมไม่ใช่สินรูปลูบคำคำสินให้เกิดความเด่นดังเป็นหมู่เป็นคณะดูถูกติดเทียนกันต้องการสินธรรม ทำขั้นสิ้นสินคั้นทาที่ประพฤติปฏิบัติกันด้วยความเข้าใจความมุ่งหมายและซื่อตรองต่อหลักการอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นเครื่องควบคุมที่ดำรงรักษาสังคมเอาไว้ได้หมายความว่าอาริยะตันตะเซิงขออภัยพวกภาษาบาลีให้ฟังสักหน่อยพระพุทธเจ้าหันซ้อนอยู่เรื่อยเื่อยเรียกว่าอาริยะกันตเซิอย่างเช่นกวายถสถาตะทคเตอาารสุปฏิทิตา ศรัทธาของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถ า, าคตเจ้ามั่นใจในศักยภาพความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดี ง, งามหลังจากนั้นก็เรียกว่าซีรัญจะยัศกัลยานังอริยะตันตังประสั่งสิตังสินของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยะเจ้าสั้งเคปัสาธาโทรยัสถิอุชุภูตัญจะทัศนัง ความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ความเห็นของผู้ใดตรงอัริโชติตังอหุอโมขันตสัตชีวิตบัณฑิตกล่าวว่าเขาผู้นั้นเป็นคนไม่ยากจนชีวิตของเขาไม่เป็นมันแต่ที่นี้เรามีแต่คนยากคนจนมีเงินเป็นหมื่นล้านมันก็ยังเป็นคนจนอยมจะเป็นเปรตตายอยู่ในห้องแอร์โจเพราะว่าเราไม่มีความมั่นใจในสิ่งนี้หรือบางครั้ง ท่านก็นจัดเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกลุ่มว่าจะทำให้คนเข้าถึงสาระแห่งชีวิตสทายสี่เลนะเจะโยประวัติตาติจาเคนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังบุคคลใดเป็นผู้มีสท้าเป็นผู้เจริญสมบูรณ์ด้วยสิ้นเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่ในซึ่งการศีสละโซตาทิโซสปุริโซวิจักคโนบุคลบคลผู้เป็นสตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้น อาทิยะติสซาลมิเทวอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์ตนในโลกนี้พึ่งพาตนเองได้มั่นใจในศักยภาพของความเป็นคนไม่ว่าศรัทธานี่ก็ดเดียวนี้โลกขาดอันนี้ศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่งมงายต้องการความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามอันนี้ข้อนึ่ง อันที่สองสังคมยุคปัจจุบันนี้ต้องการอย่างแท้จริงหรือว่าขาดแคลนด้วยคือศีลธรรมหรือทำขัน้นศีลที่ประพฤติปฏิบัติกันด้วยความเข้าใจต่อความมุ่งหมายและซื่อตรงต่อหลักการอย่างแท้จริงซึ่งก็จะเป็นเครื่องควบคุมที่ดำรงรักษาสังคมเอาไว้ได้นี่คือศีละอริยกันตัสสินศีลที่ถูกต้องดงาม ควบคุมสังคมและประเจกระชนให้ดำรงรักษาความเป็นผู้สงบมีเอกรภาพอยู่ในสังคมให้ความสงบร่มเย็นแก่สังคมได้ข้อต่อไปเดี๋ยวนี้สังคมปัจจุบันเจริญด้วยการศึกษาเราเรียนสุ ต, ตะอย่างล้นหลามมากมายล้นเหลือเรียกว่ายุคที่เฟอ้อด้วยวิชาการเฟอร้อด้วยปรชยัชญา แต่ดูเหมือนว่าการศึกษาความรู้สุทธะเหล่านั้นจะทำให้มนุษย์สับสนและก็กลายเป็นตัวการก่อปัญหาต่างๆทำให้สังคมของเราเนี่ยมีปัญหามากมายยิ่งขึ้นปัญหาต่าง ๆ, ๆเกิดจากคนที่มีความรู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีทางวิทยาการทางฟัสิกส์อะไรต่างๆภาษาภาษาฮันจิวสุตะสุทะ แต่สุตะที่สั่งสมสุตตะทางโลกโลกแต่ขาสุตตะทางธรรมเนี่ยต่นี้เราจะเลินความจเจริญทางเทคโนโลยีจนกลายเป็นพระเอกเป็นเทพพระเจ้าองค์ใหม่โลกจเจริญด้วยสุตตะอย่างฟุ่มเฟือยโลกจเจริญด้วยความรู้วิทยาการเทคโนโลยีในอย่างมากมายิ่งขึ้นสังคมเดี๋ยวนี้จึงต้องการสุตตะวิทยาวิชาการในอริยธรรมที่จะมาชี้จุดรวม เป็นส่วนเสริมให้พอดีที่จะนำชีวิตและสังคมให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องตรงนี้ภาษาพระเรียกว่าสุตตะทบทวนอีกทีหนึ่งศรัทธาศิลสััทธายะสีเลนะจะโยปวัตติมีสถามั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์จุดมุ่งหมายที่ดีงามสังคมต้องการอย่างแท้จริงเราสามารถจักต้องทาได้ หลังจากนั้นมีสินอันบริสุทธิ์ประพฤติด้วยความเข้าใจต่อความมุ่งหมายซสื่อตรงตลักะไม่ไม่ใช่ลูบลูบคำคำเดี๋ยวนี้เราขาดอันนี้เราก็เรียกว่าเรามีสต้ามีสินแต่มันมันมั น, ม, นมันเผ็ดกันมังกายเป็นศีและพัตต์ประมาตรลูบลูบคำค ำ, คำงมง่ายในสิ่งที่กระทําโดยไม่เข้าใจหลักกาะต่อหมายที่พวกฝรั่งก็เรียกว่าเคดรดิลารีฟูลออฟฟิสเคดรดิลารีเต็ม ไ, ไปด้วยความงมงาย ในการพูดปฏิบัติและต่อมาพระพุทธเจ้าของเราทัาว่าสุเตนะปัญญายะจาเคนะเตเตเตะยังสุตะคือการสั่งสมความรู้วิชาการวิทยาการในทางธรรมที่ถูกต้อง แต่เนนี่มันซับซ้อนมันมากมายไปด้วยวิชาการเฟอร์เฟอร์เทคนิคเทคโนโ ล, โลยีที่ฟุ่มเฟื่อยเก่งกันเหาะทะยานขึ้นไปถึงฟ้าถึงอากาศมุดลงไปใต้ดินดำลงไปในน้ำโอยที่คนโบราณบอกวา่าบูแผ่นเพื่อนเที่ยวทองถ้ำมาลิดทะยานถึงเวหาหววเพียงพระจันแจ่งดำดินดันมขขเมโคคำเมกบินดวงฝ่าอิงเอือมแทนอินไปได้เช่นเดนั้นนั้นคือสุกะทางโลก แต่แล้วเป็นยังไงดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้มนุษย์สับสนกลายเป็นตัวการก่อปัญหาต่างๆมากมายยิ่งขึ้นเทีอีีข้อต่อไปสังคมของเรากำลังขาดสุดตะการศึกษาวิชาการในอริยธรรมที่จะมาชี้จดรวมเป็นส่วนเสริมให้พอดีที่จะนำชีวิตและสังคมให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องข้อต่อไป การเสียสละอาศาบริวัจาค่ะสังคมปัจจุบันได้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งมีทีท่าว่าจะทะวีความร้ายแรงยิ่งขึ้นตามลาดับสภาพเช่นนี้ต้องการความเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันด้วยใจอันบริสุทธ โลกไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ซึ่งมีอำนาจล้นเหลือสามารถแสวงความสุขจากกานเอาอย่างไม่รู้จักอิ่มได้อีกต่อไปแล้วมนุษย์จักต้องรู้จักมีความสุขด้วยการให้และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีโดยรู้จักเผื่อแผ่และแบกปันนี่ตัวนี้เรียกว่าจากะเป็นองค์แห่งโสดาบัน และมีความสุขจากการการะทำเช่นนั้นด้วยเรนี้ถูกบีบคันมากทางเศรษฐกิจความเห็นแก่ตัวมากขึ้นโลกไม่เอื้ออํานวยให้เกิดความสุขแก่จิตใจคนทั้งหลายใดถ้ า, าขาดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันดังที่กล่าวมาแล้วโลกไปมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ซึ่งมีอํานาจล้นเหลือสา ม, มารถาแสวงสุขจากการเอาอย่างไม่รู้จักอิ่มจะพออีกต่อไปแล้ว มนุษย์จะต้องมีความสุขด้วยการให้รู้จักรู้จักหาความสุขด้วยการให้อาเดมาเขาใช้คำว่ารู้จักด้วยให้รู้จักว่าความสุขนี้ไม่ใช่มีมาจากการเอาอย่างเดียวความสุขมีมาจากการให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันในทางศาสนาคริสต์พระเยซูกล่าวว่าจิตที่ คิดจะให้ย่อมสุขใจกว่าจิตที่คิดจะรับจริงหรือไม่จริงเป็นวาทะอมตะของพระเยซูซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเอายิ่งยิ่งเลยอาจมาคิดว่าถ้าเราคิดจะให้อะไรเข้าไปเนี่ยมันมีความสุขใจถ้าคิดจะเอาจะขโมยจะไปแย่นไปอะไรกับมันมัทุกข์มา ท, าทันทีพระเยซูบอกว่าจิตที่คิดจะให้ย่อมสุขใจยิ่งกว่าจิตที่คิดจะรับนัเห็นไหมล่ะ ทุกๆสาวนาก็มุ่งอยู่อย่างนี้เหมือนกันแต่โลกทำไมจึงต้องมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่คนจะเอาพัดเอาเปรียบกดขี่กดแขง่งกันเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องรู้จักมีความสุขด้วยการให้และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีได้โดยรู้จักเพื่อเผื่อแผ่แบ่งปันมีความสุขจากการกระทมเช่นนั้นด้วยอันนี้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าจักต่อมาปัญญาปัญญา สังคมปัจจุบันประกอบด้วยมนุษย์ที่มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเองเป็นอย่างยิง่งเพราะได้เจริญก้าวหน้านด้วยวิทยาการต่างๆสามารถทำสิ่งแปลกมหัสัจรย์เอาชนะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้มากมายทำฝนทำฟ้าอะไรๆ ด, ดังนั้นมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีโลกิยาปัญญามาย่างเก่งกล้าสามารถจนมีอานาจเตินตัวและกาลังเริ่มแผ่อิทธิพลออกไปสู่สุริยะจักรวาล แต่เพราะขาดปัญญาในแนวโลกุตละธรรมมันจึงเป็นดังหมุดตรึงเพียงนิดเดียวมวลมนุษย์กำลังจะกลับกลายเป็นเหยื่อแห่งลุมอันตรายที่เกิดจากปัญญาของตนเองประสบความติดตันทั้งทางวัตถุและทางจิตใจสังคมปัจจุบันกำลังต้องการอริยะปัญญาเพื่อมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ดิกาลังตกลุมตกลุมที่ตนเองได้ขดเอาไว ลุมอันตรายที่เกิดจากปัญญาของตนเองดังที่กล่าวมาแล้วที่คนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึบปะโซธาอิาศาสของเรานะฮนะเขียนไว้ที่บอกว่าอาเกียรหลอมขะหน้านั่นเนื่องมีซัต์สิงเนา่าอยูน่น้าผ้ากันดินดันตายทางพงไพ่ปลาแปนตายเกี่ยงอาเกียรหลอมขะหน้านั่นเนื่องมีสัต์สิงเนา่าอยูน่น้าผ้ากันดินดันตาย คนเราเนี่ยทำฟงมูมส ก, กุณชาตเสือม่วนโมปักสินบินไปหาไม่เศร้าเน่าอย่างบินบนถ่ายนี้ตายเป็นโมโมผู้ใหญ่ พ, พาพแผ่หลาดถลายหลบลาวเลี้ยนเพียงปินแปะของขอบขันเตเสกคนหอนใน้าาเมื่เมื่ดควนทลังใหม่สา ย, าย น, นิ่งเง่างื่มเื่มล่าซีซูเมะจักรวานคนขาวแดนดาวเดืองไว้เมาจากฝีมือของมนุษย์จักรวานจนหวั่นไหวอากาศฝี โอโซนชั้นโอโซนเรเยอร์ลัว่วความร้อนในโลกสูงขึ้นภูเขาน้ำแข็งขั้วโลกเนื้อพังลงมาน้ำท่วมพายุฮันลมแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดน้ำเน่าอาตาศปยดินปลูกเพิ่ไม่ได้มีพิษฝนตกมามีพิษเป็นเอซิเตเรนทั้งหมดนั้นจากฝีมืออันเป็นหลุมอันตรายซึ่งเกิดจากปัญญาของตนเอง จึงเกิดความติดตันทางวัตถุและทางจิตใจสังคมปัจจุบันกำลังต้องกอารอริยปัญญาเพื่อมาแก้ปัญหาอันนี้เพราะเหตุ น, นั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาทำความเข้าใจกับโตตปติยังคะคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งศรัทธาความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้พ้นจากปัญหานาน า, น า, นาประการได้โดยไม่ต้องหวังพึ่ง สิ่งอื่นมัวหวังพึ่งสิ่งอื่นไม่ได้มันต้องเชื่อมั่นในวิถีทางแห่งปัญญาอย่างแข็งขันมั่นคงเพียงพอที่จะมุ่งหวังผลสําเร็จต่างจๆจากการกระทำด้วยสติปัญญาและความเพียรพยิจามตามแหล่งตามแห่งเหตุผลของตนเท่านั้นเรียกว่าเชื่อตั้มไม่หวังพึ่งโชคลางการอ้อนวอนขออิทธานุภาพดนบันดาลจากอํานาจวิเศษภายนอกแต่อยา่างใดแต่เพราะปัญญาที่รู้แจ้งสภาวธรรมของบุคคล เราไม่เพียงพอมันจึงต้องมาตกเป็นเหยื่อของเสิ่งเหล่านี้มันยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ความมั่นใจนั้นจึงไม่เป็นไปโดยลําพังของตนเองอย่างต้องอิงอาศัยฝากไว้กับท่านผู้ที่ได้เข้าถึงความจริงนั้นมา ก, ก่อนแล้วอย่างไรอย่างไรก็ตามเรามาดูว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านชวนแล้วชวนเอกบอกว่าให้ชักโจงให้บุคคลตั้งหลายได้มีธรรมะอันนี้เขาจึงจะพึ่งตนเองได้อย่างไรอย่างไรก็ตาม ท่านบอกว่าพิสุททั้งหลายเหล่าชนทั้งหลายทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคําสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้รวมงานเป็นญาติเป็นส า, ายโลหิตพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ดาลงมั่นในองค์คุณแห่งโสดาบันสีประกาศตัโซราบันสประกาศสถาสิงสุตตาจาระปัญญาตัดสุตตาออกสุตตาออกก็เหลือแต่ปัญญาอย่างนี้ท่านั้งหลายลองคิดดูหรือยิ่งกว่านั้น แม้แต่การตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ก็ขอให้ลูกช่วยให้พ่อแม่มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของมนุษย์มีสินครอบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเองในยืเย็นเป็นสุขไม่กระทบกรทั่งมีจางคะมีการเสียสละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไปมีจิตใจเป็นสุขเพราะการให้อยู่มีปัญญารู้จักผิดชอบชั่วยดีบาปบุญคุณทอดแม้กระทั่งตัอริยสัจความสุขความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อะไรต่างๆให้รู้ท่านได้กล่าวไว้ชัดเจน เาลองไปเปิดไปในวิดีโออังคุตริกายทุกกนิบัตเล่มที่ยี่สิบข้อที่สองร้อยเจ็ดสิบแปดหน้าที่เจ็ดสิบแปดมีข้อความว่าพิกษุน์ต่างหลายสำหรับบุคคลสองท่านเราไม่กะว่าจะกระทำการตอบแทนได้ง่ายเลยสองท่านคือใครมารดาและบิดาหากุตจะเอามารดาวิดามาไว้บนป่าข้างหนึ่งเอาบิดาไว้ข้างหนึ่งปนนิบัติจนถึงอายุยืนร้อยปีอยู่ได้ตลอดศตวรรษ และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการขัดสีการนวดเฟ้นการอาบน้ำอาบท่าให้กินข้าวกินปลาอิม่มมีพีมันตลอดวันตลอดการร้อยปีให้ทายอุจจารปัสสาวะบนบา ท, ทั้งสองข้างนั่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้กระทำบุญคุณตอบแทนแก่มารดาบิดาให้สาสมได้ถึงแม้บุตรจะพึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติอิสระที่ปลอดดีปนมหาปฏิภีอันกว้างใหญ่เฮียมีสตรรัตนมากหลายเนี่ย หมายความว่าลูกมีอํานาจเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิรวบรวมโลกไว้ในกํามือในเงื้อมมือสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการแล้วมอบให้พ่อแม่ปกครองก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้ทําคนหรือต่อแพรงแก่มานดาบิดาพ่อนั้นพ่อเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากเป็นผู้บํารุงเลี้ยงสแสดงโลกนี้แก่บททั้งหลาย ส่วนว่าบทคลใดชักจูงปูกฝังประเด็ดฐานซึ่งบิดามารดาผู้ไม่มีสธาไว้ในสธาผู้ไม่มีสินผู้ทุศิลไว้ในศิลปผู้มีความตันนีไว้ในจาคะผู้สามปัญญาไว้ในปัญญาด้วยการกระทำเพียงนี้จึงชื่อว่าเป็นอันได้ทาคนได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาเหมือนเชิญท่านทั้งสองขึ้นไปตั้งไว้ประเด็ดฐานไว้บนสวงสวรรค์นี่คิดดู ท่านให้เราพูดให้เราสอนพระสององค์เจ้าจงพูดจงสอนศรัทธาศีลจาระปัญญาต่อแทนบุคุณพ่อแม่ก็ต้องต่อแทนอย่างนี้มีเงินแปดแสนล้านถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาท่านก็จะต้องทําชั่ววันหนึ่งท่านก็จะไปตกนรกวันหนึ่งท่านยังไม่มีศีลท่านจะต้องไปต้องนรกไปเดือร่อนเพราะนั่นพระพุทธเจา้าจึงบอกว่าให้เราบอกให้เราสอนกันเยเตทิคเวอนุกรรม ไปยาธาเ ย, ยจะโซตพังมันเย ย, ยุงมิตาวาอม จ, จาวายาติงวาซาโลหิตาวาเอภิเควเจตูหิโซตาปฏิยังเคสุสมาทเปตตาพานิเวเซตาพาปฏิทาเปตาภาคำเดียวอันเนี้ยพร่ำสอนอยู่ตลอดพิสุทั้งหลายเราชนทั้งหลายทั้งที่คนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่จะพึงรับฟังคําสอนได้ไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติเป็นสายโลหิตก็าตาม พวกเธอเพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งดำหลงมั่นในองค์คุณของโสดาบันตีประการคือเป็นผู้มีสถามีเซนมีจาคะมีปัญญาเทนี้เรามาลองดูความสําคัญอันนี้นี่แหละคือองค์คุณแห่งโสดาบันเดี๋ยวนี้เขาจะบอกโสดาบันมันหมดสมัยแล้วไม่ต้องพูดกันดอกโสดาปสกิทาคาอนาคาอโลหันพูดไปมากๆมันก็นเลอะเลือนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลสุด ข, ขอบฟ้าดังเก่าแล้วจะต้องนูน่นเห่ะเหินเดินอากาศมีฤทธิ์ม่เดชความจริงมันไม่ได้เป็นเชนนั้น ถ้าหากเราดูแล้วเนี่ยมันเข้าใจกันคาดเคลื่อนนิดเสดี้ยวปัจจุบันนี้เข้าใจความรู้สึกของคนทั่วไปเกี่ยวกับพระอริยเจ้าหรือแม้แต่นิพพานนะนะความเป็นพระอริยเจ้าพระอรหัน์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากการมองนิพพานในฐานเป็นเมืองแก้วแห่งบรำ ม, มสุกรันดอนอย่างสมัยโบราณได้กลายเป็นความรู้สึกว่าหมดสิ้นขาดสดูญยิ่งมาห่างเหินจากคำํำสอนของพระพุทธศาสนาทูความนิยมปนเปื้อทางวัตถุซ้ําเข้ามาอีก คนยุคปัจจุบันก็เลยมักมีความรู้สึกต่อ น, นิพพานในทางลบเห็นเป็นภาวะที่พึงเบือนพระนี้ไม่สนใจอย่างน้อยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลเหลือเกินซึ่งก็ไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในสภาพเช่นนี้เราจะทํำยังไงนอกจากจะต้องพยายามสร้างความรู้<ม>ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิพพานให้เกิดขึ้นมีภูมิธรรมระดับเดียวคือระดับโสดตปฏิยัญขที่พระเจ้าพร่ำสอน อันนี้แหละคือภูมิธรรมที่จะเข้าไปสู่นิพพานและแนี่วบันไดของมันทว่านิพพานมันไกลเกินอรหันต์ก็ไกลเกินเอาใกล้ๆเป็นโสดาบันโสตะปติยังคะอย่างนี้ความเป็นโสดาบันนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะสนใจไม่เฉพาะในระหว่างที่กําลังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานและความเป็นพระอรหันต์เท่านั้น เพราะว่าในตามปกตินั้นเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นอยู่เสมอเราทั้งหลายก็ควรจะสนใจแต่เราก็มักถูกละเลยมองข้ามไม่พูดถึงในเรื่องนี้เน้นไปที่ทานทานทา น, ทานอย่างเดียวชวนกันทานอย่างเดียวแห่กันไปเป็นร้อยๆคันๆลดไปทานแต่ไม่พูดถึงอันนี้มันก็เลอะเลือนในที่สุดมันก็เป็นศรัทธาที่ขาดปัญญา ง, งมงายเมื่อผิดหวังไปแล้วก็ตีโพยตีพายว่าศาสนาจะไม่ดียังงู้อย่างนี้ความจริงนั้น ความเป็นพระโสดาบันก็ดีภูมิธรรมและการดำเนินชีวิตระดับนี้เป็นสิ่งที่ควรจะสนใจและเน้นกันให้มากแม้แต่พุทธ อ, องค์เองก็ได้ตัดแนะนำย้ำไว้ย้ำอีกอยู่ว่าเธอจงไปบอกคนทั้งหลายคนที่ควรอนุเคราะห์กันได้หรือผู้ที่จะรับฟังคำสอนจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติเป็นส า, ายโลหิตก็ตามเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ให้ดํารงมั่นในองค์คุนแห่งโสดาบันสิประการ ที่เรามามองดูว่าชีวิตของพระโสดาบันนั้นมันไม่ใช่เรื่องห่างไกลและไม่น่ากลัวเลยสําหรับปุถุชนทั้งหลายอย่างเราและท่านในปัจจุบันกลับจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งสําหรับสาธุชนด้วยซ้ําไปพุทธสาวกโสดาบันจํานวนมากมายในสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนะเขาดําเนินชีวิตเป็นโสดาบันดําเนินชีวิตที่ดีงามชอบด้วยสิ่ด้วยธรรมทำกลางสังคมของชาวโลก มีชีวิตมีครอบครัวอยู่เป็นสุขบำเพ็ญประโยะ ช, ชน์แก่ชุมชนแก่พระศาสนะน์แก่บ้านแก่เมืองมีเยอะแยะไปหมดจะขอยกตัวอย่างให้เห็นบุคคลต่างๆเหล่านี้การเป็นโสดาบันนั้นยังอยู่ในบ้านในเรือนอย่างนางวิสาขานี่มีลูกเป็นสาวหมดพอคลองเรื อ, เอนเมื่อหลานท่านตายนักก็ยังร้องไห้โศกเศร้ารทำไรเพราะโสดาบันนั้นยังขจัดกามไม่ได้ยังขจัดความทุกข์เศร้าโศกไม่ได้หมดยังมีขอบเขตจบ แต่ก็มีความทุกข์น้อยคือขจัดสะคอปหรือว่าวงจรแห่งความทุกข์วงจรแห่งรังสารวัฏในหดสั้นเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นถูกตัดไปแล้วยี่สิบห้าหรือเจ็ดสิ้าเปอร์เซ็นและแน่นอนจะต้องก้าวหน้าต่อไปเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่าความเป็นโศกเป็นเศร้ารำ่ำไห้ยังมีความรักความโกลเหมือนสามัญชนแต่ว่ามันละเอียดมันละเมียดละไมมันเบาบางกว่ามันไม่มีมากเกินไปเหมือนพุทธชนไม่ทําให้ เกิดกระทําความชั่วพระโสดาบันหรือว่าโสดาบันบุคคลชาวบ้านไม่มีใครก้าทําชั่วจนจะต้องตกอารกเสียหายร้ายแรงเพราะว่ามันมีธรรมสี่อันนี้แหละคอยคําจนความทุกข์ที่เหลืออยู่ก็มีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความทุกข์ส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นดังนี้เราจะเห็นได้ชัดในสมัยพุทธกาลนะพุทธสาวกโสดาบันเนี่ยออกชื่อเป็นตัวอย่างแสดงหลักฐานไว้ให้เห็นบ้างก็ได้อย่างพระเจ้าพิมพิสาร ประสัตรผู้ยิ่งใหญ่แห่งแควนมาคดผู้ทรงถวายเวรุวันสร้างสังฆารามเป็นวัดแห่งแรกในศาสนารัากษาอุโบสถเดือนละสี่ครั้งนี่พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้นะรักษาอุโบสถเดือนละสี่ครั้งเพราะท่านเป็นโสดาบัดแล้วอนาถาบินทิกาเศรษฐีเจ้าของผู้ลงทุนสร้างเชตตะวันที่มีชื่อเสียงมากเป็นผู้บำรุงพระสงฆ์สงเคขาะคนอนาถาอย่างไม่มีใครอื่นเทียบเท่านี่คนหนึ่งละ เอามาดูฝ่ายผู้หญิงนางวิสาขามาหาอุบาสิกานี่ข้อหนึ่งมีบรมีธิดามีลกูกมีพูดง่ายว่ามีลูกสาวลูกชายทั้งยี่สิบคนเป็นสาวเลยสำเร็จโสดาบันตั้งจะเป็นเด็กน้อยอายุเจปีสามารถบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีมีบทบาทในการช่วยกิจการของพระสงฆ์ในอย่างสำคัญเป็นผู้กว้างขวางและมีเกียรติคุณสูงเด่นในสังคมในขวัโกสต ทีนี้มาดูนายแพทย์นายหมอหมอชีวโกโกมารพัฒแพทย์ใหญ่ประจำพระองค์ราชาแห่งมคตรประจำพระพุทธเจ้าของเราและคณะสงฆ์เป็นผู้สร้างโรงพยาบาลสงลงแรกขึ้นมาในโลกที่ชีวกรมพวันมีชื่อเสียงเกียรคุณยั่งยืนตลอดมาในวิชาแพทย์แผนโบราณจนถึงปัจจุบันนี่คนหนึ่งโสดาบันเมืออกันกุนนกกลบิดาน ก, กุลมานาคู่ส า, ามีภรรยาครองรักอันพักดีมัน่นคงต่อกันตราเท่าชราจนตาย ยังบาถนาเกิดพบกันทุกชาติไปนี่ก็โสดาบันเพราะเห็นนั้นเราทั้งหลายมาดมาูคุณสมบัติของพระโสดาบันนั้นก็คือมีสถามีศิลมีสุตะมีจาระค่ามีปัญญาถ้าตัดจาระค่าออกตัดสุตตะออกมันก็เหลือแต่จาระค่าและปัญญารวบรวมเอาคุณสมบัติต่างๆทั้งฝ่ายหมดและฝ่ายมีเรียงไว้เป็นลําดับทีนี้เรามาทําความเข้าใจบาง ความเป็นโซดาบันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าจะต้องมีฤทธิ์มีเดชมีหูที่ปลาทิพย์เห็นเหล็กเห็นห้วยเป็นคนรดน้ำมนต์ผล น, น้ํามันให้คนอื่นดีงามเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จงนอดศดเคาะสะดตกกำหรือว่าเป็นผู้เสริมสเสน่เสริมมงคลตัดกรรมตัดเวรไม่ใช่อย่างนั้นมีธรรมะฝ่ายบวกสี่อันศรัทธาศีลหลังจากนั้นก็จาระปัญญ า, ล า, ล า, ลาแล้วก็มีธรรมะฝ่ายลบ เมื่อมีสรทาเกิดขึ้นสินเกิดขึ้นจาระคาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นทาสี่ประการที่หายตายไปสกยตทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตปรามาทมัชระยะลองเทียบดูศรัทธามีความเชื่อมั่นความจริงความดีงามกฎรธรรมดาแห่งเหตุผลมั่นใจในปัญญาของมนุษย์ที่จะดับทุกแก้ไขปัญหาได้ตามทางแห่งเหตุผลที่เรียกว่า ต, าตถาคตโพธิศรัทธา ศรัทธาจริงใจในพระพุทธเจ้าว่าทันก็คือคนธรรมดาเหมือนกับเรานีิคนหนึ่งสามารถชํำระกิเลสทนทุกข์ไปได้ไม่ต้องง้อเทรดามานร้อมที่ไหนไม่ต้องไปไหว้ผีสร้างคางไายเจ้าถุงเจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเขาผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้คือคุณค่าของโสดาบันแล้วผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมรับรองจะไม่ไปไหว้ผีไหว้สางไม่ไปรดน้ำมนต์ไม่พ่นน้ามันไม่ไปสักการมอมไม่ไปเสกการบานไม่ไปตัดกรรมตัดเวรไม่ไปสะดอเคาะไม่ไปเสริมสันเนยเสริมมงคล ข้อนี้เป็นองค์คนฝ่ายบวกและฝ่ายลบฝ่ายบวกมีสถานมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ฝ่ายลบไม่ล่ อ, ลองไหลงมงายที่เรียกว่าไีระพัตต์ปารมาต t เคลดเดียวรัดต้องเป็ล่องไหลงมงายกับสิ่งเหล่านี้สกยทิฐิวิจิกิจฉาสองใสเรื่องอื่นในเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องอริยสัจสีถูกตัดไปเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นตอย่างนี้ ต่อมาด้านศีลมีความประพฤติกายวาจาใจลี้นงีพสุจริญเป็นที่พอใจของอริยชนมีศีลเป็นที่พอใจเป็นไทยเป็นอิสระไม่เป็นทาตของตันหาประพฤติตรงตามหลักฐานอย่างนี้เป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อขัดเกล็อย่างนี้เมื่อมีศีลอันนี้มันก็ไม่มีสีลพัตนปรลามาอันนี้เรียกว่าอาริยกันตัดสินเมื่อมีอริยกันตัดสิดนสีลพัตปรลามาก็ตายไปหมายว่ามีอริยกันตัดสิน สินชนิดที่พระอริยเจ้าสรรเสริญศินไม่งมงายสินที่เป็นไปเพื่อสมาธิสินเป็นไปเพื่อความขัดเกกิเลสเป็นไปเพื่อความสงบใจเป็นระเบียบเรียบร้อยระบบชีวิตระเบียบสังคมไม่เกะกะละลานไม่กระทบกระบบกทั่งใครแล้วก็ศีลละพัฒนประมาทความล้องงมงายในสิลในพัฒนในการในวัดในข้อปฏิบัติปั่ม ป, ปั่มเปิร์ปเปิพ์ปภูภูภูไม่มีมันตายไปมันป่ากันมีสัทธาทำลายวิจิกิจชา มีศีลทำลายสีรพตปรมานหลังจากนั้นสักยะทิฏฐิความหลงหวาดตัวตนของเรานี่ถูกทำลายด้วยปัญญาหลังจากนั้นก็จา่าคะเราจะต้องพูดกันด้วยความเร็วสูงกับเวลามันน้อยจ่าคะเนี่ยเป็นองค์คุณอันหนึ่งของโซดาบัตจ่าฆะนี่ก็จะเป็นปราบราบปาปมัชชริยะคือฝ่ายฝ่ายมีฝ่ายหมดฝ่า ย, ล ะ, ายละฝ่ายหมดและฝ่ายมีฝ่ายหมดก็คือจ่าฆะ ส่วนฝ่ายหมดฝ่ายมีคือจาขะฝ่ายหมดก็คือมัชรยิยะมัชริยะคือความตณีตณีนี้มีกี่อันมีอยู่ห้าอันอาวาสมัชริยะภาษาพระฮวงที่อยู่หวงถินหฮวงแกว้วไม่มีพระโสดาบันหรือบุคคลที่เป็นโสดาบันแต่มาฮวงแกว้วฮวงถินไม่มีแต่นี้แม้ได้เป็นพระเป็นเจา้าอย่างฮวงอาวาส แต่นี่อยู่สายไหนว่าว่ากขาเป็นนั่นเองเป็นธรรมยุทธ์หรือเป็นมหาในกายโบยไม่ใช่พวกของตนเองไม่ต้อนรับอย่างนี้ยังไกลห่างจากโสตปฏิยังฆะกูลมัชริยะห่วงตระกูลห่วงพวกหวงสำนักห่วงสายสัมพันธ์เทียบสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่าเล่นพวกถ้าถึงโสตอาปัญนนะโสตปฏิยัญฆะหมดการเล่นพวกไม่มีอย่างนี้ ประมาณก็ลาพระมัชชริยะหวงลาบห่วงผลประโยชน์คิดกีกันไม่ให้คนอื่นได้อย่างนี้ถูกทำลายไปสิ้นเมื่อมีจาระธรรมวั น, นะมะชริยะห่วงกิตติคุณห่วงคำสรรเสริญเยือนยอไม่พอใจใครมีใครดีมาแข่งตนไม่พอใจใครสวยงามแต่ยินคำสรรเสริญ ค, คุณความดีของคนอื่นและทนไม่ได้หาห่ า, หางเถียงหาห่ า, หางเถียงเอาความชั่วไปยัดให้แก่เขาตนเองแก่ดีคนเดียวอย่างนี้เรียกว่าวั น, นะมะฉริยะ ธรรมมัชชิยธรรมมัชชิยะหว่วงธรรมหว่วงวิชาหว่วงความรู้หว่วงคุณพิเศษที่ได้บรรลุกลัวคนอื่นจะรู้จะประสบผลสำเร็จเทียมเท่ า, เ, ทาเกินกว่าตนห้าอันนี้เรียกว่ามัชริยะจะถูกทาลายไปสิ้นเมื่อมีจากกะเพราะะนั้นัน้นองคุณแห่งโสดาบัน ศัทธาศีลจาคะปัญญาโสตปฏิยังคมันจะไปปราบสกายะทิฏฐิความเห็นว่าตัวกูของกูตัวเราของเรา100ร้อยเปอร์เซนถูพังสลายลงไปมันจะไปปราบวิจิกิจชาความสงสัยเรื่องพระพุทธรธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือคนธรบรรดาสามันอย่างเรานี่มีสกยภาพัฒนาตนเองเหนือฟ้าเหนือเทวดาไม่ต้องพึ่งผีสาง้างไร หลังจกนั้นก็เชื่อพระธรรมหลักการที่พุทธเจ้าตัดไว้เชื่อพระสงฆ์ผู้ดำรงตามพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ได้ทํามาแล้วมีมาแล้วเป็นมาแล้วดีมาแล้วเล้านี่คนหนึ่งละมันจะไปนั่นอย่างนี้เรียว่ามีสทธาก็มาทําลายพวกวิจิตริฉามีศินก็ไปทําลายสีและพัตต์ประมาทหลบหลบค้ำค้ำโพโูเพ่งเพ่งเข่งเข่งึ้มขึ้มปั่มป่มเปอร์เปอร์ทำให้คนอื่นล่องลรยลดน้ำมันผลนน้ํามันสกมมเซกบาลเลิกทำถ้าเป็นพระถ้าเป็นโยมก็ไม่ไปทํำสิ่งเหล่านี้อย่างนี้ เยาวศีลภัตตปรามาถูกทำลายไปด้วยศินจาคะทำลายมัชริยะห้าปัญญาทำลายสกฤติถิฐิรวมแล้วสกฤติถิฐิวิจิกิจชาศีลภัตตปรามามัชริยะห้าถูกทำลายด้วยสตาศีลจาระปัญญาที่พระพุทธเจ้าหันสอนเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเราเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการห่วงแหนหวงกินห่วง ห่วงถิ่นห่วงแกวกันยังเล่นพักเล่นพวกห่วงสำนักห่วงสายสัมพันธ์สายในบางทีพระมหานิกายเขาไปพักวัดธรรมยุทธเกือบจะไล่หนีทรมยุทธมาพักวัดมหานิกายจะไล่หนีพึ่งพาไซกันไม่ได้คนละพวกอย่างนี้เรายัางไม่ถึงกาคะการศีสละอยู่ในโสตปฏิยังคะจะต้องทําลายกูรมัจาริยะเล่นพวกหวงสำนักสายสัมพันธ์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ยังไม่มี วงลาบวงผลประโยชน์กลัวเขาจะมาดังกว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อย่างนี้ฮวงวันนะฮวงกิติคุณฮวงคำเสินเสริญแม่เดี๋ยวเขาจะไม่ยกย่องหมู่เราคณะเราคนนี้ดังควรจะมาเป็นหมู่เป็นคณะเราอะไรต่างๆจย่งนี้เรายังไม่เข้าถึงโซตะปฏิยังค่ะหลังจากนั้นก็มีพวกอคติต่างๆเหล่านี้โซดาบันบุคคลทําลายไปสิน้นนี่คือคุณทําฝ่ายหมดและฝ่ายมีฝ่ายละและฝ่ายเจริญมันจะมีอยู่ในเนื้อในตัว ในนี่เราเห็นได้ว่ามันมีปัญหามากโลกจเจริญทางเทคโนโลยีทางพวกเทคนิคต่างๆวิชาการแต่ถ้าไม่คนยังต้องงมงายไปตัดกรรมตัดเวนไปเสริมนเสน่์ไปเสริมมงคลไปเอาเลียนเอาสติ๊กเกอร์เอาหลูกปลาคำโอ้ยไปทำวิธีกรรมทั้งหมด น, นั้นคืออะไรเรายัง สีระพัตระปรามาตเรายัางไม่มีศรัทธาตถาคตโพธิสัทธาคำว่าตถาคตโพธิสัทธานในองคุณแห่งโซดาบันนั้นให้เราเข้าใจว่ามนุษย์คือพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดามีศักยภาพมีความสามารถพัฒนาตนเองพึ่งตนเองได้พ้นไปจากภัยแห่งกิเลสตัณหา ไม่ต้องไปอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินไม่ต้องไปหาลูกประคมมาห้อยขอไม่ต้องไปหาสติกกอกสติกเกอรไม่ต้องไปหาเลี้ยนหาเลินมาห้อยมาลองมาแรงไม่ลองไปรดน้ำมนต์พ่นน้นํามันสักตะมอมเตกาบานเอาธรรมะประพฤติดีในใจมั่นใจในศักยภาพทําคุณงามความดีพึ่งพระรุนเองได้อย่างนี้พอเห็นนั้นองค์คุณแห่งซอดาบันพุทธเจา้าจึงบอกว่าเมื่อก่อนเขายังเข้าไม่ถึงอันนี้ อาหงเวสลนังยันติปภะตานิวนานิจะอาลามลุคัเจติยามนุสซาพยาตติสิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกความความทุกข์ความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจแล้ว่าถึงภูเขาบาั่งปาาาง่าไม้บั่งอาลามลุคัจเจดีเป็นสลรณะนะนั่นไม่ใช่สลรณะอนะันเกษตรนั่นไม่ใช่สลรณะอนะันสูงสุด นั่นเขาอาศัยสารณะเหล่านั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์สุดท้ายท่านให้มีศักยภาพเยโยจะพุทธท่าจะทำมันจะสร้างคันจะสันนังขโตจะตาลิอริยาสัจจาใน ส, ญญส ม, มปัญญาอย่าปัจสติผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันประเสริฐวันนี้ทุกนี่เหตุที่เกิดทุกในีหุนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกนี่ตานดับลงแห่งทุกอันนั้นแหละจึงถือว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันกเสิมในจิตใจท่านบอกอย่างนี้ เอตังขคสละนังเข้มังเอตังสลานังมุดตังเอตังสลานังมาห า, ามัสปะทุฆาปะมุตจตินั่นแหละเป็นสัลณาอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูง ส, สุดอาศัยสิ่งเหล่านั้นพึ่งสิ่งเหล่านั้นย่อมพ้นจากทุกข์ได้ในี่เราพึ่งไหมละ่ะพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ไม่ใช่เอารูปมาแขวนคอเพียงเท่านั้นพึ่งพระพุทธเจ้าได้ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดามั่นใจว่าท่านทําของท่านจนพ้นจากทุกข์ได้ ด้วยความภาคเพียรด้วยสติด้วยปัญญาของท่านหลังจากนั้นหลักการของท่านท่านเอามาตัดไว้เป็นโปรเซสเป็นกรร ม, มวิธีเป็นสตั c กเจอเป็น o อ t ไลน์เป็นโครงสร้างเป็นแนวสังเขปคือหลักธรรมเรามั่นใจว่าถ้าทำตามท่านมันจะต้องพ้นจากความทุกข์จากปัญหาหลังจากนั้นก็มั่นใจในบุคคลที่เคยทำมาแล้วตามหลักการของท่านเลยว่าพระสงฆ์ จึงเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นใจในศักยภาพของมนุษย์มั่นใจในหลักธรรมนในหลักการของมนุษย์คนแรกอย่างพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตัดว่าท่านเป็นลูกไกต่ตัวผู้เป็นลูกไก่ตัวพี่ได้เจาะกฟองไข่ออกมากระปาะไข่ออกมาก่อนเธอทั้งหลายเป็นลูกไกต่กไกตัวน่องนี่ก็เหมือนกันพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นไก่ตัวน้องพุทธเจ้าเป็นไก่ตัวพี่วิธีเจาะฟองออกมาจากความทุกข์ชแระกิเลสสู่ความสิ้นทุกนั่นคือมัคคุเทศหลักการที่ท่านตัดไปอย่างนี้ ถ้าเชื่อมันประพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคตพโพธิสัตหามันก็จะพึ่งตนเองได้เดียวนี้เป็นยังไงมันไม่พึ่งอย่างนี้มันไปพึ่งอย่างอื่นซึ่งที่พบพอพอย่างไม่มั่นใจในสกยภาพของตอนเอง พอเห็นนั้นจะได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาเจริญทายยังพึ่งผีสร้างคางลายยังพึ่งน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักการมอมเสกบ้าลยังพึ่งเครื่องล่างของคังนังทั้งในภพภพโพนีพ้ยังไกลยังไม่ถึงโสตัดปฏิยังคาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องวัดเครื่องส่องว่าธรรมะเจริญในใจไหมในสังคมไหมโสตัดปฏิยังคาเศียบางแห่งท่าเรียกว่าธรรมาธาต์แปลว่าแว่นสองธรรม คือกระจกเงาสำหรับส่องสำรวจคุณสมบัติตนเองของบุคคลโสดาบันบางแห่งท่านเรียกว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลปุญญาภิสันทะห่วงบุญห่วงกุศลอันไพศาลและเป็นอาหารของความสุขบางแห่งท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารทำเครื่องเป็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหรือทำที่พักใจให้เป็นสุขขันตาเห็นทางจิตอย่างสูงบางแห่งก็กระจายกันออกไปเรียกชื่อต่างๆโสตะปฏิยังฆะ บางทีเรียกว่าอากังคียาฐานอย่างนี้อย่างไรอย่างไรก็ตามโซดาปฏิยังฆะสี่เป็นคุณสมบัติของบุคคลโสดาบันนี้ท่านแสดงไว้ให้เราคิดมีทั้งชาวบ้านมีทั้งพระถ้าเป็นชาวบ้านนะแปว่าอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นโสดาบันคือเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่ครองเลือนด้วยจิตใจอันปราศจากมลทินคือมัชฌิริยะมีจาคะอย่างเปิดเผย มีมืออันสะอาดยินดีในการสละใส่ใจในคําร้องขอยินดีในการให้การแบ่งปันและขันก็บอกว่าสิ่งของที่ควรจะให้ได้ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่มีในสกุลอริยสาสบกนั้นเฉลี่ยแบ่งปันกับคนมีศีลกัลยาณธรรมได้ทั้งหมดไปเปิดสังยุตติกายมหาวาลวักเล่มที่สิบเก้ากอตีพันสี่ร้อยห้าสิบสองอย่างนี้ถึงหน้าที่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าอ้ยมีไรแห่งในสังยุตติกายสลายยตนาวักเล่มที่สิบแปดก็มี ท่านพูดไว้เกินเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าโสดาบันนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปนั่งรับหูลับตาในป่านในเขาเป็นสิบปียี่สิบปีไม่ต้องมาพูดกับใครนวดเขาลงลงังมีฤทธิ์มีเดชอันนั้นยังไม่เป็นพระโสดาบันนั้นอยู่ตรงนี้คือมีธรรมะสีอันนี้เพิ่มขึ้นสตาศินจาขะปัญญาหรือจะเพิ่มเป็นห้าสตาสินสุตตาจาขะปัญญาแล้วก็ลดลงพล่อง สกยท์ที่ทีวิจิกิชาสีละพัตตะปรามาตมัชริยะห้าอย่างนี้อคติสี่อย่างนี้ทาสี่อันลดลงทาสีอันเพิ่มขึ้นคือความเป็นโซดาบันบ้านเมืองมันขาดคนอย่างนี้สังคมจึงแปลปวนทุกยากลำบากูอย่างนี้ขอให้เราเข้าใจกันเสียใหม่ ไม่ใช่เรื่องสดวิสยัยไก่สดขอบฟ้าที่เราจะไขว่คว้ามาเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของเราพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมีสถามั่นใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ศักยภาพของความเป็นมนุษย์สามารถพึ่งพาอาศัยสติ ป, ปัญญาของตนเองมีสินรับผิดชอบต่อการประพฤติทางกายวาจาของตนเองมีจะฆ่าการเสียสละเอือ้อเฟื้อแบ่งปันมีการให้อภัยซึ่งกันแลกกันมีปัญญารู้จักบาปผิด ช, ชั่วชอบดีอะไรต่างๆอะไรควรละอะไรควรเจริญ หลังจากนั้นความงมงายลดไปไหวผีไหวสร้างไหวเพื่อหลั ง, ลงของขังหนังทางในไสยาศาสตร์ไม่ให้ใครมาหลอกต้มกินหัวได้ง่ายๆห ล, งนนงงลังจากนั้นก็เป็นผู้ไม่ยึดมั่นเถอะมั่นในสกายะในกายของตนเองว่าเป็นเราเป็นเขาจนเกินไปหลังจากนั้นก็ะเป็นผู้ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในหลักธรรมคำตั่งซ้อนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธพระธรรมประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น อันนี้เราก็เข้าถึงกับสาแห่งธรรมเป็นโสดาบันตายไป อ, อีกเกิดชาติใหม่ก็จะได้ดีขึ้นกว่านี้เองเกิดชาติใหม่มันจะได้มาบวชตั้งแต่น้อยๆพ่อจะเป็นขโมยเป็นโจรเป็นอะไรลูกจะต้องเป็นคนดีแน่ๆเพราะ่าองคคุณแห่งโสดาบันนั้นมันเข้มข้นไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปกับสภาพ